จเจริญพรท่านผู้มีเจเมตตากรณาใจมุนใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ได้ใช้เวลาว่านี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการมาตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเพราะประโยชน์ของพระพุทธศาสนานี้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงเป็นประโยชน์อันเลิศอันประเสริฐและเป็นประโยชน์ที่จะเป็นสมบัต ของเราอย่างแท้จริงเวลาที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเรายังสามารถเอาประโยชน์ที่เราได้ทำกันนี้ติดตัวกับเราไปด้วยไม่เหมือนกับประโยชน์ทางโลกไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเอาติดตัวเราไปได้เวลาเราไปเกิดใหม่เราก็ต้องตั้งต้นใหม่แต่ประโยชน์ที่เราเอาไปกับใจได้นี้เราจะใช้ประโยชน์ได้ทันทีหลังจากที่เราเกิดใหม่เราไม่ต้องกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์ดังนั้นการตักตวงประโยชน์ทาง จิตใจประโยชน์ของพระพุทธศาสนานี้ยังเป็นสิ่งที่เราควรจะทำกันให้มากเพราะตอนนี้เหมือนกับน้ำขึ้นพระพุทธศาสนานี้เป็นเหมือนน้ำในฤดูฝนจะมีน้ำมากเรามีภาชนะที่เราควรจะ เก็บกักตักเอาไว้นั้นเราควรจะทำให้มากเพราะว่าในฤดูการคือที่ตามมาเช่นฤดูหนาวฝนก็จะหยุดตกน้ำก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับและไม่มีเลยถ้าเราไม่ได้เก็บกักเอาไว้ในภาชนะเราก็จะไม่มีน้ำใช้ พระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับน้ำในฤดูฝนที่เราสามารถเก็บกักเอาไว้ใช้ได้แล้วก็พระพุทธศาสนานี้ไม่นานก็จะหมดไปจากโลกนี้เช่นเดียวกับน้ำที่จะต้องแห้งหมดไปในฤดูแล้ง และการกลับมาของพระพุทธศาสนาใหม่นี้ก็ไม่ใช่จะเป็นของง่ายและไม่ไม่รวดเร็วเหมือนกับฤดูการที่เพียงในระยะเวลาหนึ่งปีเราก็จะได้ฤดูฝนกลับมาใหม่แต่พระพุทธศาสนานี้กว่าจะกลับมาปรากฏให้เป็นที่สารเป็นที่พึ่งเป็นสารณะนะ ของสารโลกนี้จะเป็นเวลาอัานยาวไกลนับเป็นกับไม่ใช่นับเป็นล้านปีแต่เป็นกับกับนี้ท่านแสดงไว้ว่ า, ย, วายาวยิ่งกว่าเวลาล้านปีเป็นหลายล้านเท่าด้วยกันดังนั้นโอกาสนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสทองของพวกเราที่เราจะ มีโอกาสอย่างนี้อีกได้ยากมากการคราวหน้าเมื่อเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งพระพุทธศาสนาก็อาจจะหายจากโลกไปแล้วเหมือนในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็ทรงพยายามสแสวงหาประโยชน์ของพระพุทธศาสนาแต่ในสมัยที่ทรงบำเพ็ญ น, นั้น ไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกแต่เนื่องจากบุญบารมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญไว้ในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ช่วยให้พระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ทําให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะเกิดได้เพียง กับบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าเท่านั้นคือพระโพธิสัตว์ที่ได้บาเพ็ญบาลมีทั้งสิบมาอย่างโชคโชนเท่านั้นจึงจะสามารถค้นพบพระพุทธศาสนาได้สามารถตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่วนปุตรชนอย่างพวกเรานี้โอกาสที่เราจะได้พบ กับพระพุทธศาสนาด้วยตนเองนี้คือด้วยการปฏิบัตินี้จะเป็นไปไม่ได้เลย mm. ดังนั้นตอนนี้เราถือว่าเรามีบุญมีวาสนามีโชคอย่างยิ่งอย่างมากที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเพราะเมื่อมีพระพุทธศาสนาแล้ว <c oughs> การตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนานี้ ก็เป็นสิ่งที่ง่ายมากไม่ยากเลยเพราะมีผู้ที่ได้ตักดวงประโยชน์ือได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆมีเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกก็ปรากฏมีพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ <c oughs> มีเป็นจำนวนมาก และมีมาจนถึงปัจจุบันนี้และจะมีต่อไปจนกว่าพระพุทธศาสนาจะหายไปจากโลกซึ่งในพระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายไว้ว่าประมาณ 5,000 ปีด้วยกันตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้ว 2,553 ปีแต่พวกเรานี้ จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่เพราะว่าเราอาจจะต้องไปใช้บุญไปใช้กรรมไปรับบุญซึ่งอาจจะเป็นเวลาอันยาวนานกว่า 2,500 ันห้ร้อปีพอเรากลับมาเกิดใหม่ก็จะเป็นเหมือ น, นยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญคือไม่มีพระพุทธศาสนา คอยชี้บอกทางให้พวกเรารู้จักวิธีทำให้ตัวเรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ตอนนั้นก็จะไม่มีโอกาสที่จะตักตวงผลประโยชน์ของพระพุทธศาสนาอีกก็เป็นเหมือนกับไม่มีฤดูฝนลาเกิดในฤดู แรงไม่มีน้ำที่เราจะสามารถเก็บกักเอาไว้ได้ดังนั้นขอให้พวกเราจึงอยากประมาทอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าไปคิดว่าชีวิตของเรานี้จะอยู่ไปเป็นเวลาอันยาวนานคือจะแก่ตายเราอาจจะตายก่อนแก่ก็ได้เพราะ เราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้ใครจะอยู่ใครจะไปดังนั้นในขณะที่เรายังอยู่นี้ขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จและเวลา่นเวลาของเรากับการตักตวงประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา จะดีกว่าการตักตวงประโยชน์ทางอื่นเพราะประโยชน์ทางอื่นที่เราตักตวงกันนั้นก็มีประโยชน์เพียงแค่ในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่นี้เท่านั้นแต่พอเราตายไปแล้วเข <c oughs> ามไม่สามารถเป็นที่พึ่งไม่สามารถยังประโยชน์ให้กับเราเอีกต่อไปได้แต่ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนานี้ ยังสามารถยังประโยชน์สุขให้เราต่อได้หลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเราทำบุญทาทานรักษาศีลเราก็จะได้ประโยชน์คือในระดับสวรรค์ถ้าเราทำบุญทาทานรักษาศีลแล้วนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบได้เราก็จะได้รับประโยชน์ขั้นสวรรค์ชั้นพรหม แล้วถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปคือเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาพิจารณาสภาวะทั้งปวงทั้งหลายเช่นร่างกายของเราว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเราก็จะสามารถได้ประโยชน์ท่านระดับของพระอริยเจ้าถ้าเราได้ประโยชน์ระดับพระอริยเจ้าแล้ว เราก็จะมีน้ำเก็บกักไว้ในใจคือพระธรรมน้ำพระธรรมเก็บกักเก็บกักไว้ภายในใจของเราเราไม่ต้องพึ่งพระพุทธศาสนาอีกต่อไปสมมติว่าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็ยังสามารถที่จะตักตวงประโยชน์ของพระพุทธศาสนา ที่เราได้เก็บกับเอาไว้ในใจของเราต่อไปได้จนถึงขั้นสูงสุดได้บรรลุกเป็นพระอรหันต์ได้โดยที่ไม่ต้องมีพระพุทธศาสนามาชี้ทางเพราะว่าเราได้เก็บกับพระพุทธศาสนาไว้ในใจของเราแล้วนั่นเองนี่คือประโยชน์ที่เราสามารถที่จะได้จากการที่เรามาวัด มาทำบุญให้ทานมารักษาสีงมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่แหละคือประโยชน์ที่แท้จริงของพวกเราเพราะเมื่อเราได้น้ำพระธรรมของพระพุทธเจ้าหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเรานี้เป็นมหาเศรษฐียิ่งกว่ามหาเศรษฐี ที่มีเงินมีทองมากกว่าเราเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าเพราะอะไรเพราะใจของเราอิ่มแต่ใจของมหาเศรษฐีแสนล้านนี้ไม่อิ่มใจของเขายังมีความต้องการสิ่งต่างๆอยู่แล้วใจของเขาก็ยังมีความหวันกลัววาดวันกับภัยต่างๆกับสภาพ ของความไม่เที่ยงต่างๆทำให้ใจของเขานั้นไม่มีความสุขเท่ากับใจของผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจทยของผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจนั้นใจจะไม่หิวจะมีความอิ่มจะไม่หวาดหวั่นต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการเจริญหรือต่อการเสือ่อมของลาบยศสรรเสริญสุด เพราะว่าใจไม่ได้เสื่อมความสุขที่มีอยู่ภายในใจความอิ่มที่มีอยู่ภายในใจไม่ได้เสื่อมไปกับความเสื่อมต่างๆภายนอกนั่นเองภายนอกจะเสื่อมอย่างไรภายในก็ยังเหมือนเดิมมีความสุขเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมที่เรียกว่าปามังสุขขัง ปรามังสุขขังก็คือเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่แหละคือเศรษฐีที่แท้จริงมหาเศรษฐีที่แท้จริงต้องเป็นเศรษฐีภายในต้องเป็นเศรษฐีธรรมไม่ใช่เป็นเศรษฐีเงินเพราะเศรษฐีเงินนี้ไม่ได้ทําให้ใจมีความอิ่มมีความพอ มีความสบายไม่กังวลไม่วิตกกับการเปลี่ยนแปลงกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆดังนั้นขอให้เราจงแยกแยะให้ถูกว่าอะไรเป็นประโยชน์กับเราอย่างแท้จริงอะไรเป็นโทษกับเราถึงแม้ว่าจะคิดว่าเป็นประโยชน์แต่เป็นประโยชน์ เพียงเล็กน้อยแต่เป็นโทษมากกว่าเพราะว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับก็เพียงเป็นประโยชน์ของร่างกายเท่านั้นเช่นที่ถ้าเรามีทรัพย์มีเงินทองมากเราก็จะสามารถกินอยู่อย่างสบายแต่เป็นความสบายทางกายเท่านั้น แต่ทางใจนี้รับรองได้ว่ายังไงยังไงก็ยังจะไม่สบายเพราะยังมีความวิตกกังวลอยู่กับการไม่เที่ยงแท้แน่นอนกับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆที่คอยเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆมีขึ้นมีลงและกับร่างกายของเราเองว่าจะต้องแก่ไปเรื่อยๆ แล้วก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไปแล้วในที่สุดก็จะต้องตายไปแล้วเมื่อตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรจะไปดีหรือไปไม่ดีก็ไม่รู้จะไปสูงหรือจะไปต่ำก็ไม่รู้ก็จะมีความวิตกมีความหวาดกลัวเป็นอย่างมากในยามที่จะต้องจากร่างกายนี้ไป สำหรับผู้ที่มีธรรมอยู่ในใจนั้นเป็นเหมือนผู้มีแสงสว่างในที่มืดสามารถมองเห็นทางที่จะไปต่อไปและรู้ว่าเป็นทางที่ดีเป็นทางที่สงบเป็นทางที่สบายเป็นทางที่มีแต่ความอิ่มหนำสำลานใจจะไปอย่างสบายและในขณะอยู่ก็อยู่อย่างสบาย ถึงแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเลยก็ตามก็อยู่ได้เพราะว่าใจนี้มีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลานั่นเองจะขาดแคลนอะไรนั้นก็ไม่เดือดร้อนจะอดอาหารวันละสองสวันสี่ห้าวันก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของร่างกาย แต่ใจนี้ไม่ได้ขาดอาหารใจมีน้ำทำหล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลาร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไม่มากระทบกับความสุขของใจนี่แหละคือสารณะคือที่พึ่งของพวกเราที่เราเรียกว่าพระรัตนตรมีพระพุทธเจ้า มีพระธรรมคำสอนและมีพระอริยสงสาวกถ้าเรามีพระธรรมอยู่ในใจของเราแล้วเราก็จะมีพระพุทธด้วยและมีพระสงฆ์ด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตถาคตก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเรียกพระ อ, องค์เองว่าตถาคต ทุกครั้งเวลาที่จะกล่าวถึงพระองค์จะกล่าวว่าตถาคตผู้ใดมีดวงผู้ใดมีดวงตาเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตและผู้ที่เห็นตถาคตผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็คือสังพระอริยสงฆ์นี้เองตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเพราะเป็นผู้ที่ เปิดใจที่มืดบอดด้วยการปฏิบัติทานศีล ส, สมาธิและปัญญาพอมีแสงสว่างแห่งธรรมแล้วก็เหมือนกับคนที่เดินทางในที่มืดไม่หลงทางเพราะว่ามีแสงคอยบอกทางไปตลอดจนถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไป สำหรับใจของพวกเราจุดหมายปลายทางของใจของพวกเราก็คือพระดิภานนี้เองไม่มีที่ไหนที่เป็นบ้านที่แท้จริงของพวกเราที่อื่นนั้นเป็นบ้านชั่วคราวมีดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีก็ดีก็เป็นสวรรค์เป็นมนุษย์เวลาไม่ดีก็เป็นนรกเป็นเดราาัจฉานจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ ว่าเราจะมีศรัทธามากน้อยในคำสอนของพ่อพระพุทธเจา้าถ้าเรามีศรัทธามากและปฏิบัติตามได้มากเราก็จะได้บ้านที่ดีถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านชั่วคราวก็เป็นเหมือนกับบ้านที่เราต้องอาศัยในขณะที่เราเดินทางเช่นเราขับรถเดินทางไกลแล้วเราต้องแวะค้าง แรงตามสถานที่ต่างๆถ้าเราปฏิบัติตามที่พระวิทยเ้าทรงสั่งสอนเราก็จะได้พักในโรงแรมระดับหดาวแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเรากลับไปทำบาปทำกรรมเราก็จะต้องไปนอนตามข้างถนนตามใต้สะพานในในการเดินทาง ด้าในการเดินทางของเราถ้าไม่เดินทางตามพระพุทธเจ้าเราก็จะเดินวนไปวนมาเหมือนขับรถรอบวงเวียนจะไม่มีทางที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางของพวกเราได้แต่ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะวิ่งทางตรงจะวิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วดังนั้นจึงขอให้พวกเราจง มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าเป็นประโยชน์กับเราอย่างแท้จริงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราละให้เราเลิกให้เราตัดก็ขอให้เราเชื่อว่าเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายแก่ชีวิตจิตใจของพวกเราต่อการเจริญต่อการก้าวหน้า ต่อการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางคือบ้านของเรานั่นเองดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ทําเราก็ต้องทําสิ่งที่ทรงสอนให้ละเราก็ต้องละสิ่งที่ทรงสอนให้ทําก็คือให้ทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมสิ่งที่ให้ละก็คือให้ละบาปทั้งปวง และสิ่งที่ให้ตัดก็คือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของเรากิเลสตัณหานี้เป็นตัวที่จะสร้างเป็นตัวเป็นเหตุที่จะทําให้เราไปทําบาปเป็นเหตุที่จะทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดให้เราวนอยู่รอบวงเวียนไม่ให้เราไปถึงบ้านที่เราต้องการไป ดังนั้นเราต้องทำทั้งสามส่วนนี้คำว่าทำดีก็สรุปง่ายๆก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นและกับตัวเราและไม่มีโทษกับผู้อื่นและกับตัวเราเรียกว่าเป็นการทำความดีเช่นม น, นิย่าโยนํำกับข้าวกับปลาอาหารมาถวายพระ อย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำความดีเพราะเป็นประโยชน์กับผู้ให้และผู้รับผู้รับก็ได้ปัจจัยสี่อาหารข้าวหวานไปรับประทานเพื่อดูแลร่างกายผู้ให้ก็จะได้ทรัพย์ภายในคือได้ความอิ่มเอิบใจได้อาหารใจได้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นและจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทาความดี เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเราสามารถทําความดีได้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวาสไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดราาัจฉานถ้าเราทําประโยชน์ให้กับเขานี้เราก็จะได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจของเราเราทํากับพระเราก็ได้เราทํากับคารวาสญาติโยมเช่นบิดามารดาของเรา ดาติสนิทมิตรสหายบุตริดาสามีภรรยาหรือบุคคลที่เราไม่รู้จักแต่เดือดร้อนหรือเราอยากจะช่วยเหลือเขา <c oughs> นี่เราได้บุญทั้งนั้นเป็นบุญทั้งนั้นคือเป็นความสุขใจเป็นความอิ่มเอิบใจเป็นอาหารของใจทำให้ใจของเรานั้นไม่หิวไม่กระหายเหมือนกับคนที่ไม่ รู้จากการทำบุญให้ทานคนทำบุญให้ทานนี้จะไม่ค่อยเดือดร้อนกับการสูญเสียข้าวของเงินทองไม่แต่คนที่ไม่ได้ทำบุญนี้จะเดือดร้อนจะเสียใจจะทุกข์ใจมากเวลาที่สูญเสียข้าวของเงินทองไปเพราะเขามีความโวงแหนเขาจึงไม่สามารถที่จะ ทำบุญให้ทานได้นั่นเองและเวลาที่เสียไปเขาก็จะเสีย อ, อกเสียใจเป็นอย่างมากแต่คนที่ทําบุญให้ทานอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติจะไม่หวงแหนในข้าวของเงินทองเวลาสูญเสียไปก็จะไม่เสียใจแต่กลับจะมีความสุขใจถ้าคิดว่าเป็นการทําบุญไป เหมือนกับที่ท่านมาทำบุญในวันนี้ท่านก็เสียเงินเสียทองไปหลายบาทด้วยกันแต่แทนที่จะเสีย อ, อกเสียใจกับมีความสุขใจเพราะมีความตั้งใจที่จะเสียนั่นเองฉันใดถ้าเวลาที่เราเสูยนเสียเข้าของเงินทองไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจถ้าเราเกิดจะเกิดความเสียใจก็ขอให้เราดึกถึงตอนที่เราทำบุญ ว่าเราตั้งใจจะทำบุญเราก็คิดว่าเงินที่เราสูญเสียไปนั้นก็เป็นเงินทำบุญไปก็แล้วกันเป็นการทาบุญไปก็แล้วกันถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเราจะไม่เสียใจและเราจะได้ป้องกันตัวเราไม่ให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปเพราะเวลาที่เราเสียใจหรือเวลาที่เราโกรธเราอาจจะคิดทำลายหรือทำร้ายผู้อื่น ถ้าเราไปทําร้ายผู้อื่นเราก็จะสร้างบาปสร้างกรรมให้กับตัวเราแทนที่จะทําให้ใจเราปลอดภัยปราศจากอันตรายทั้งภายนอกและภายในภายในก็คือความทุกข์ความรุ่มร้อนจิตใจภายนอกก็คือภัยที่เกิดจากการจองเวงจองกรรมกันถ้าเราทําบุญให้ทานอย่าง ส, ม, สม่เสมอแล้ว เราก็จะป้องกันภัยเหล่านี้ได้เพราะเราจะไม่ไปคิดทำร้ายใครเราจะสูญเสียอะไรมากน้อยเพียงไรเราก็คิดว่าเป็นการทำบุญให้ทานไปเพราะอย่างไรมันก็ไม่กลับมาอยู่ดีของมันก็ไปแล้วเงินก็หายไปแล้วมาโกรธทำไมมาเสียสองต่อทำไมเสียเงินแล้วยังต้องมาเสียใจทำไมเราสามารถรักษาใจเหมือนกับที่เรามาทำบุญในวันนี้ได้ วันนี้เราเสียเงินแต่เราไม่เสียใจแต่เรากลับได้ความสุขใจได้ความดีใจเพราะเราปล่อยวางได้นั่นเองเราไม่ยึดไม่ติดไม่หวงกับทรัพย์สมบัติเ้าาของเงินทองเราเอาเงินทองนี้มาแลกกับทรัพย์ภายในเอาทรัพย์ภายในไปดีกว่าเพราะทรัพย์ภายในนี้จะดูแลเราต่อไป เวลาที่เราเกิดใหม่ในภพหน้าชาติหน้าพวกเราที่เกิดมานี้ที่มีฐานะการเงินการทองต่างกันก็เพราะทานที่เราทำไว้ในอดีตชาตินี้เองเหมือนกับการปลูกข้าวถ้าเราปลูกน้อยเวลาเก็บเกี่ยวเราก็จะได้ข้าวน้อยถ้าเราปลูกมากเวลาเก็บเกี่ยวเราก็จะได้ข้าวมากฉันใด การให้ทานก็เช่นเดียวกันถ้าเราให้มากเราก็จะได้อ น, นิสงฆ์มากเวลาที่เราไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าเราก็จะได้มากเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างในภพของพระเวชสันดรทรงทำบุญอย่างมากทรงให้ทานอย่างมากพอตายไป ตามในตำราแสดงไว้ว่าพระ อ, องค์ก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ไปสวยบุตรที่เกิดจากการให้ทานของพระเวชสันดรแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเป็นรูปของพระเจ้าแผ่นดินนี่คืออนิสงส์ของทานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญ ในแต่ละภพแต่ละชาติและในชาติของพระเวชสังดรจึงเป็นเหตุให้พระองค์ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าชายสิทธัตถะและได้ออกบวชและปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตถาสมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบำเพ็ญบุญบารมีต่างๆมาในแต่ละภพแต่ละชาติ ก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุได้ถ้าไม่ได้บาเพ็ญทานถ้าไม่ได้บาเพ็ญปัญญาบารมีเช่นฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะอย่างพวกเรากาลังทำอยู่ถึงแม้จะบำเพ็ญทานบารมีอย่างเต็มเปีเป่ยมและได้มาเกิดเป็นกษัตริย์ก็จะไม่มีทางที่จะออกบวชได้เพราะว่ายังไม่มีปัญญาพอที่จะ ดึงให้ออกจากทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆได้ดังนั้นการบาเพ็ญบุญบารมีนั้นจึงจำเป็นต้องบาเพ็ญให้ครบทั้ง10ประการด้วยกันหรือถ้าปฏิบัติธรรมก็ให้ครบทั้งสประการด้วยกันคือทานศีลสมาธิและปัญญาถ้าได้บาเพ็ญทั้งสประการนี้แล้ว ถ้ายัางไม่ได้บรรลุในชาตินี้ก็จะได้บรรลุในชาติต่อๆไปอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงพยายามปฏิบัติตามพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าให้มากเพื่อที่เราจะได้บรรลุถึงมรรคผลผนิพพานเราจะได้กลับบ้านของเราได้ไปถึงบ้านที่ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลาย ที่พวกเรายังต้องเสี่ยงภัยกันอยู่ทุกครั้งที่เราเกิดเราก็ต้องเสี่ยงภัยกับความแก่ความเจ็บความตายกับการพลาดพลาดจากกันและกันแต่ถ้าเมื่อเราได้ถึงพระทิพย์มาได้ถึงบ้านของเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงภัยอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญมาตักตวงประโยชน์ของพระพุทธศาสนา ที่เป็นเหมือนน้ำขึ้นให้พวกเราเรีบตักตวงกันนี้ไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัดใจ